การกินอาหารมันไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เติมอาหารใส่ท้องหรือว่าเพิ่มพลังให้กับร่างกายของเราเท่านั้นแต่มันยังเป็นโอกาสในการเติมอาหารให้กับจิตใจของเราด้วยทำอย่างเดียวนี้ได้ทั้งสองอย่างก็คือได้ทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจเพราะฉะนั้นเนี่ยที่วัดป่าสุโกโตเนี่ยนะเวลาฉันหรือว่าทานอาหารโดยเพาะในช่วงเช้าเนี่ย เราก็จะอยู่ในความสงบนะสงบในที่นี้นะสงบทั้งวาจานะแล้วก็สงบทั้งความคิดด้วยแต่ว่าก่อนถึงก็เริ่มต้นจากการที่เราสงบวาจาคือไม่พูดไม่คุยกันก่อนนะนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะหลายท่านที่เพิ่งมาบวชนะก็อาจจะไม่คุ้นเคยเพราะเวลากินอาหารนี่เรา ก็มักจะถือเป็นโอกาสในการพูดคุยสังสรรค์ น, นะเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งซึ่งผู้คนนิยมปฏิบัติเวลาจะปรึกษาหารืองานการก็ก็ปรึกษากลางวงข้าววงอาหารอันนี้ก็เรียกเป็นกิจกรรมทางสังคมหรืออาจจะเป็นอโอกาสทางธุรกิจนะแต่ว่าที่นี่ช่วงที่ฉันอาหารหรือกินข้าวนี่มันเป็นโอกาส ของการปฏิบัติธรรมเมื่อ1 0บยปีก่อนมีฝรั่งคนหนึ่งนะแก่สนใจพุทธศาสนาสนใจเรื่องอสมาธิภาวนามีคนชวนไปเยี่ยมเยือนวัดป่าในภาคอีสานจะก็ดีใจนะดีใจที่ได้ไปเพราะสมัยก่อนเนี่ยไปวัดป่าไม่ใช่เรื่องง่ายคนก็ไม่ค่อยนิยมไปวัดป่ากันไปเสร็จสองสาวันกลับมาคนก็ถามว่าเป็นยังไง แใ่ก็บ่นนะแกก็บอกว่ารู้สึกผิดหวังทำไมถึงผิดหวังอ่ะบอกว่าเนี่ยพระทั้งวัดนี่ไม่ถูกกันเลยนะเวลากินอาหารนี่ไม่คุยกันเลยฝรั่งนี่เข้าใจอย่างั้นนะว่ากินอาหารไม่ต้องคุยกันนะถ้ามีความเป็นมิตรนะมันก็ต้องคุยกันนี่วัดนี้ทั้งวัดนี่ไม่คุยกันเลยนะกินอาหารเนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าไอการฉันอาหารเนี่ยนะหรือการกินอาหาร ในวัดป่านะเราฉันหรือกินด้วยความสำรวมเริ่มต้นด้วยความสารวมวาจาก็คือไม่พูดไม่คุยกันแต่ว่าควรจะทำให้มากกว่า น, นั้นก็คือสำรวมใจเป็นโอกาสในการเจริญสติด้วยนะก็คือดูใจของเรานะเพราะว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยนะใจเรามักจะลอยนะคิดโน่นคิดนี่เนี่ยคนที่เจริญสติ นะพยายามควบคุมจิตในระหว่างที่สร้างจังหวะเดินจงกรมนะก็จะพบว่าพอกินอาหารนิจใจมันลอยคิดโน่นคิดนี่นะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราเป็นธรรมชาติที่สุดนะไอตอนที่อยู่ในรูปแบบเนี่ยจิตมันไม่เป็นธรรมชาติมีการควบคุมจิตบังคับจิตไม่ให้คิดนะแต่ว่าพอกินอาหารเนี่ยใจเหมือนกับว่ากลับคืนสู่ภาวะที่เป็นธรรมชาติก็เลย ทำตามนิสัยความเคยชินเดิมคือปล่อยใจลอยคิดโน่นคิดนี่นะแล้วยิงอาหารอร่อยด้วยนะมีความสุขนะมันก็ทำให้ใจลอยเข้าไปใหญ่นะาให้มันสังเกตดูใจของเรานะไม่ต้องไปห้ามความคิดหลอกนะก็แค่รู้ทันว่าใจมันลอยนะใจมันลอยไปก็กลับมานะเอาใจพาใจกลับมาอยู่กับนื้อกับตัวขณะที่กายกําลังกินอาหารปากกำลังเคี้ยวก็รับรู้ ไม่ต้องไปเพ่งที่ปากก็ได้ไม่เพง่งไม่ต้องไปเพ่งที่มือนะก็ตักอาหารตามสบายเป็นธรรมชาติแต่ว่าให้รู้ตัวนะและที่ใส่ใหุทำให้ไม่รู้ตัวก็เพราะใจมันลอยไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เวลาอาหารอร่อยนะสังเกตว่าใจมันเคลิบนะมันเหมือนกับกำซาบนะมันมันก็ดื่มด่าในรสชาติอาหารอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้ตัวแล้วนะตั้งสติกลับมา อร่อยก็รู้ว่าอร่อยนะเราไม่ได้ปฏิเสธความอร่อยนะแต่ว่าเราก็ไม่ติดเหมันวิธีที่จะไม่ติดก็คือว่าพอมันเกิดสุขเวทนาขึ้นมานะาก็รู้ว่ า, เ, าเกิดสุขเวทนาเกิดความอร่อยเกิดความยินดีนะแต่ว่าดึงจิตกลับมาอยู่กับสู่ความปกติเวลาไม่อร่อยนะไม่อร่อยอาหารไม่ถูกปากนะมีความรู้สึกไม่ชอบมันมีจิต ท, ที่มันบ่นอยู่ข้างใน บนอยู่ในใจไม่อร่อยเลยนะเนื้อไม่มีเลยนะเผ็ดเหลือเกินนะก็รู้เท่าทันใจที่มันบน่นโวยวายตีโพยตีพายนะอันนี้แหละนะเป็นการเจริญสติที่จริงเราควรจะเจริญสติตั้งแต่ตอนที่นะก่อนทานอาหารแล้วขณะที่นะเข้าคิวรอรอเพื่อนนะขณะที่เข้าคิวรอเพื่อนตักอาหารเนี่ยบางที ิวยาวเพื่อนตักช้านะก็เห็นใจนะที่มันเกิดความหงุดหงิดํำคาญ น, นะอาจจะนึกในใจว่าทำไมช้าเหลือเกินนะทำไมช้าเหลือเกินนะมีความไม่พอใจอยู่ข้างในก็ให้รู้มันนะรู้แล้วก็วางนะไม่ใช่รู้แล้วตามมันไปนะรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางแล้วเวลาตักอาหารนะบางทีตักเนี่ยนะ จิตมันเปลี่ยนนะจากความหงุดหงิดที่ต้องเข้าคิวนะมันเปลี่ยนมาเป็นความยินดีตอนนี้แหละแทนที่โทสะจากครองใจก็เปลี่ยนมาเป็นโลภะนะอยากจะตักโนนตักนีนะ่ของชอบทั้งนั้นนะโดยที่ไม่ได้ประมาณว่าจะกินหมดไหมหรือว่าจะฉันหมดไหมอันนี้ก็ต้องดูใจนะใจมันเปลี่ยนนะจากลบมาเป็นบวกจับโทสะมาเป็นโลภะนะ แล้วมันโลภภาอย่างนี้ไม่พอนะการตักอาหารก็พลอยนะคลอยตามอานาจของโลภภาด้วยนะตักอาหารเยอะเสร็จแล้วก็ทานไม่หมดฉันไม่หมดนะบางทีตักไปแล้วนะก็เหลือบเห็นอาหารอร่อยของโปรดแต่ว่าไม่ได้ตักเกิดความเสียดายโอ้เราน่าจะตักด้วยเนี่ยนนะ้นองไก่นะโอ้แต่ว่าพลาดไปแล้วนะเสียดายนะ เสียดายระหว่างที่เดินกลับมานั่งที่เัางที่ก็เสียดายโหเราน่าจะตักรู้สึกไม่พอใจกับอาหารที่ตัวเองตักทั้งที่ของดีๆก็ตักมาแล้วหลายอย่างนะแต่ไปจดจ่ออยู่ไอ้ของที่ยังไม่ได้นะอันนี้เรียกว่ามองข้ามความสุขที่ชอบทำเมื่อวานนี้พูดไปแล้วนะมองข้ามความสุขที่ชอบทำคือว่าไอ้ของดีๆที่เรามีเนี่ยเราไม่รู้สึกชื่นชมมันเลยไม่รู้สึกพอใจ กลไปตรวจ่จออยู่ของที่ยังไม่มีเสร็จแล้วเราก็เลยเป็นเห็นได้นะจากช่วงระหว่างที่เรากินอาหารเนี่ตักอาหารนี่นะตักของดีๆมาหลายอย่างแต่ว่าไม่มีความสุขไม่ไม่มีความพอใจเพราะว่าเห็นอาหารบางอย่างที่เราลืมตักหรือมองข้ามไปแล้วก็แต่เสียดงเสดายนะหรือมิชนัะเนี่ยก็ไปไปเหลือมองเห็นจานเพื่อนโ hop เามีของดีนะให้เรานี่ไม่ได้ตักสังเกตว่าคนเราเนี่ยเวลาตักอาหารเนี่ยนะ อาจจะเป็นบุฟเฟ่ก็ได้ไม่เป็นต้องที่นี่เนี่ยเรามักจะรู้สึกว่าอาหารหรือจานของเพื่อนนี่มันน่ากินกว่าจานของเราเพราะว่าเขามีของดีๆที่ถูกปากฝรั่งมันฝรั่งนี่เขาจะมีสำนวน ว, นว่าสนามหญ้าของเพื่อนบ้านนี่มันจะเขียวกว่าสนามหญ้าของบ้านเรานะอันนี้มันเป็นมันสะท้อนถึงธรรมชาติมนุษย์นะที่ชอบเปรียบเทียบแล้วก็มักจะเปรียบเทียบและมองจดจ่อเห็นแต่ของดีของคนอื่นนะ ไอ้ส่วนของดีของตัวเองนี่มองไม่เห็นนะไปเห็นของดีของคนอื่นเห็นสนามบัสนามหญ้าหน้าบ้านคนอื่นเขาสวยกว่าเขียวกว่าเวลาตักอาหารนะสั่งอาหารไม่ว่าในในพัตตะข า, ารหรือในร้านอาหารนี่ก็มักจะเห็นว่าจานของคนอื่นมันอร่อยกว่าจานของเราทั้งที่เราก็สั่งมาด้วยตัวเราเองนะแต่ว่าธรรมชาติของคนเรามันมักจะเป็นนี้แหละคือชอบนะชอบมองชอบเปรียบเทียบแล้วก็เปรียบเทียบเห็นแต่สิ่งดีๆของคนอื่น ไอ้สิ่งที่เดีของตัวนี้มองไม่เห็นก็เลยไม่มีความสุขอันนี้ก็เรียกว่ามองข้ามความสุขที่ชอบทำน ะ, นะอย่างที่พูดไปเมื่อวา น, นแล้วขณะที่กินเนี่ยนะกลับมาถึงเวลาการกินอาหารเนี่ยนะก็ถ้าเกิดว่ามันอาหารอร่อยนะก็ดูใจของตัวให้ดีนะอย่าลืมตัวจนกระทั่งตักอาหารนะเคี้ยวแบบไม่ทันเคี้ยวเลยนะจนกระทั่งเข้าขั้นมุมามบางคนก็เป็นอย่างนั้นนะพออาหารอร่อยนี่ตักใหญ่ตักใหญ่ นะไม่ทันได้เคี้ยวสวนใจก็ลอยไปโน่นลอยไปนี่นะเรียกว่าไม่รู้ทั้งตัวไม่รู้ทั้งใจนะมือเคลื่อนไหวก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันเพลินกับความมันลอยสนใจลอยเพราะมีสุขเวทนาก็ไม่รู้ใจที่จริงการทานอาหารนี่มันเป็นการเจริญสติให้รู้กายรู้ใจได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะเจริญสติได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยไอตอน ปฏิบัติในรูปแบบปฏิบัติที่หอไตรนะปฏิบัติบนในลานจงกรมเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมชาติมีความเกรงนะมีความอยากจะให้จิตมันสงบนะไปบังคับควบคุมจิตเอาไว้จิตไม่เป็นธรรมชาติเลยนะแต่ว่าตอนกินอาหารนี่จิตมันจะเป็นธรรมชาติซึ่งจะทําให้เราได้เห็นใจของเรามันจะคิดยังไงไปก็รู้ทันมันนะกลับมาขือเดียวกันก็ให้เราลึกว่าการกินอาหารเนี่ยนะมันก็เป็นอ่า การเตือนใจให้เราตระหนักว่าเรามีชีวิตยอยู่เพื่ออะไรนะนอกจากกินอาหารเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ใช่เพื่อความเม็นอร่อยนะไม่ใช่เพื่อปลนเปลืกิเละแล้วเนี่ยนะมันก็ชวนให้เราควรจะถามต่อเออตอนต่อไปว่า เ, ออเมื่อเรากินอาหารอยู่ได้ด้วยชีวิตอยู่ได้ด้วยนําพันน้าแรงของผู้อื่นแล้วเนี่ยเราจะทําชีวิตของเราทําตัวเราให้เป็นประโยชน์เป็นการตอบแทน ผู้คนที่ให้อาหารเราได้อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นการไม่เพียงแค่ตื่นสติเราแต่ทำให้เกิดปัญญาด้วยคือรู้ว่าเราอยู่เพื่ออะไรแล้วก็ลองพิจารณ า, างี้นะเวลากินอาหารนะนะให้มันได้ทั้งสองอย่างให้ทั้งอาหารกายให้ได้ทั้งอาหารใจแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ฝึกสตินะอาหารที่เรากินบางทีมัเป็นโทษนะเช่นกินอาหารมากไปนะหรือว่า กินเนื้อมากไปไขมันเยอะหรือว่าบางทีกินอาหารที่มันเป็นโทษต่อ ร, ร่างกายสวยแต่ว่ามันมีสารเคมีนะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าการที่ไม่มีสติก็กลายเป็นว่าอาหารใจก็ไม่ได้แถมยังได้สิ่งที่เป็นโทษต่อ ร, ร่างกายด้วยเอาแล้วก็เช้าเนี้ก็เช้าวันนี้ก็เตรียมรับพร